ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนมทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ดำเนินรายการโดยสันสนีนาพงมาพบกับท่านฟังกันอีกแล้วนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เราสนทนาทำกันและก็ถือว่าช่วยทำให้ท่านทั้งหลายในยุคปัจจุบันที่ชีวิตยุ่งเหยิงและไม่มีเวลาที่จะไปวัดหรือว่า ไปพบพระคุณเจ้าที่มีความรู้ทางด้านนี้ได้มีโอกาสที่จะเสพทำได้และในขณะเดียวกันเลยไปถึงในส่วนของการปฏิบัติ ด, ด้วยเพราะว่าจะพยายามให้ท่านได้ทราบว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องสาคัญแล้วก็มีการนำปฏิบัติโ ด, ดยพระสงฆ์ซึ่งเป็นครูอาจารย์ในการสอนปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือนอยู่ที่วัดป่าดอนสุโุดอนานี ที่ดาเนินรายการเผยแผ่ธรรมะอยู่ทางรายการนี้มาโดยตลอดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะนั่นคือพระมหาภัยูบ์อภพิปุโนที่เรากำลังจะไปกราบนมัสการให้ท่านได้ช่วยกรุณานำทุกท่านปฏิบัติธรรมในตอนเบื้องต้นของรายการกันเลยค่ะกราบนมัสการค่ะท่านคะเชีญยมพานเมื่อเราก่อนที่จะเริ่มฟังธรรมหรือในขณะที่ฟังธรรมอยู่ก็าตาม ธรเมื่อเข้าทางหูแล้วให้ตั้งใจไว้ให้ดีและด้วยการกระทำอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติละคือมีธรรมะเข้ามาสู่ใจแล้วการที่ตั้งใจคําว่าตั้งขึ้นนี้คือตั้งใจนั้นใช้อะไรเป็นที่ตั้งใช้อะไรเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสคําที่เรียกว่าสติขึ้นมาสตินั้คือที่ระลึกถึงการที่เอาสติเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือคําว่าสติปัฏฐาน เป็นฐานที่ตั้งให้ใจของเรามาระลึกถึงแทนที่จะให้ใจของเราไปตามความคิดนั่นนี่โนอนหรือไปตามตาหูจมูกลิ้นกายแต่ให้ใจของเรานั้นอย่างน้อยมีที่ที่มันจะมาคงอยู่ไม่ไหลไปตามกระแสะของสิ่งภายนอกโดยในการจะกระทำอย่างนี้ได้คเครื่องมือที่เราใช้ในที่นี้ก็คือลมหายใจให้เรามาสังเกตดูลมหายใจการกระทํานั้นให้ทําอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับ หรือแต่งลมให้สั้นหรือให้ยาวให้เร็วหรือให้ช้ายอย่างใดไม่ต้องเกรงไหลเกรงคอเกรงหลังให้ปล่อยไหลปล่อยคอปล่อยหลังอย่างสบายๆเวลาที่หายใจก็ให้เป็นอย่างธรรมชาติเวลาที่เราหายใจอย่างเป็นธรรมชาติปล่อยอริยาบทต่างๆไม่ต้องเกรงให้เป็นอย่างเป็นสบายๆแล้วจิตของเราเมื่อกลายเป็นอย่างนี้แล้วจิตของเรา ให้มาระลึกถึงลมหายใจลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาตินี้เราก็ไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องไปให้จิตนั้นไปตามลมเข้าไปจ น, นถึงอกถึงคอถึงท้องไม่ต้องตามลมออกมาแต่ให้จิตของเรานั้นคงไว้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวในตำแหน่งที่เป็นบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนสังเกตอยู่ไว้ณนะที่นี้คำว่าสังเกตนี้ก็คือหมายถึงให้จิตของเรามาจดจ่อไว้ การที่เอาจิตมาจดจ่อไว้มาสังเกตมากำหนดดูมาคอยระลึกรู้มาตั้งเอาไว้ที่นี่นี่คือลักษณะกิริยาของคำว่าสติซึ่งในขณะที่เรากำลังมาสังเกตจดจอ่อตั้งไว้กำหนดรู้อยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดายอย่างนี้แน่นอนอาจจะมีความคิดและในขณะที่เรากำหนดจิตของเราอยู่อย่างนี้แน่นอนบางทีเราก็ได้ยินเสียงด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆที่มากระทบผ่านทางใจบ้างผ่านทางหูบ้างหรือถ้าลืมตาอยู่อาจจะมีสิ่งมากระทบผ่านทางตาแล้วแต่ถ้าเราไม่ลืมหลงลมหายใจการไม่ลืมหลงลมหายใจเนี่ยถือว่าจิตของเรามีสติอยู่แล้วแต่ต่อให้จะมีความคิดต่อให้จะได้ยินเสียงหรือเห็นภาพก็ตามอตนนี้เวลาที่เราได้ยินเสียงเห็นภาพมีความคิดอยู่ไม่ลืมหลงลมหายใจแล้ว เอาใจของเรามาจดจ่อใส่เอาไว้อยู่กับลมจิตของเราเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันไปใส่เอาไว้ในเรื่องใดๆจิตนั้นก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจิตของเรามาไว้อยู่กับลมหายใจสิ่งที่จะมากับลมหายใจคือสติก็จะมีกําลังมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อสติมีกําลังมากขึ้นและมากขึ้นสิ่งต่างๆที่จะเป็นที่ที่จะมากระทบะไม่ว่าจะผ่านทางตางทางหูหรือความคิดต่างๆก็ตาม สิ่งนั้นมันก็จะอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงเพราะว่าสตินี้เป็นลักษณะของเครื่องกูดกล่าวที่จะมากูดกลาวไอ้ความยึดถือที่จิตเรามันจะน้อมไปในอารมณ์น้อมไปในความคิดน้อมไปตามเสียงที่จิตของเรามันน้อมไปตามเสียงอารมณ์ความคิดต่างๆได้เดี๋ยวมันไปคิดอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันไปได้ยินอยู่เรื่อยนั่นก็เพราะว่ามันมีกาวเหนียวมียางเหนียวนั่นคือตันหาอยู่ในขณะที่สติของเราตั้งขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยทําความสะอาด ขัดล้างถูขจัดแต่เป็นเครื่องลอกเจ้าตัญหาเหล่านี้ให้มันเบาลงบางลงเวลาที่เราจะจะเราจะหนีไปตามความคิดบ้างมันก็จะลดลงลดลงในการกระทําอย่างนี้เราสามารถฝึกได้ไปตลอดทั้งวันในขณะที่เราขับรถหรือในขณะที่เราทํางานอยู่พูดอยู่คุยอยู่หรือแม้แต่ฟังทําอยู่นี้ก็สามารถที่จะตั้งสติไว้อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเราทําไปอย่างนี้แล้วแต่สามารถที่จะดําเนินสติไว้ได้ตลอดทั้งวันในขณะที่ฟังธรรมนี้อยู่ด้วยก็ตาม นุสการขอบพระคุณค่ะท่านฟังก็ได้ปฏิบัติอย่างมีการแนะนําให้สอนให้นะคะว่าการปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นเป็นอย่างไรดิฉันเองได้ฟังในสิ่งที่ท่านได้ยกขึ้นมาอยู่ตอนหนึ่งเรื่องของจิตเมื่อน้อมนึกไปในสิ่งใดออื mm hmm. ก็จะเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยนะคะพุทธพจน์ ท, ที่ภัยราะว่ายังไงนะคะขออีกครั้งหนึ่งพระพุทธา ต, ตรสนี้บอกว่าจิตของเราเนี่ยถ้าตรีตรึก ในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าบุคคลต ร, ตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นค่ะอันนี้คือทั้งดีและไม่ดีนะค่ะคือเหมือนกับว่าดังนั้นไอ้ที่บางทีเราเอาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเนี่ยบางทีจากตัวเราเองใช่ไหมคะ<ช>ที่จิตไปจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นใช่ดิฉันได้ฟัง ที่ท่านอ่านพระสูตรในตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งที่แล้วที่ฟังเมื่อคืนนะคะ่ะแล้วก็เล่าถึงพุทธประวัติในการปฏิบัติของพระพุทธองค์ตอนหนึ่งแล้วมีพระพุทธองค์ได้ไดตรัสพุทธพจน์บทเนี้ยขึ้นมาเดิ๋ฉันก็เลยอยากทราบว่าพุทธพจน์บทนี้เนะี่ยท่านตรัสก่อนท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าใช่ชเมื่อตรัสรู้แล้วเอ่อตรัสตอนเล่าถึงตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่ แล้วถึงตอนที่เป็นโพิสัต์อยู่เพราะตอนนั้นเนี่ยเลิกทําทุกรกิริยาละหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่ทําทุกรกิริยานี่แหละพออยู่ในช่วงนั้นเนี่ ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยก็คือออกบวชแล้วนะออกบวชแล้วเราก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์สามาสำมุทช้านะแล้วก็พยายามที่จะค้นพบว่าเอ๊ะทำไมจิตเราไปคิดในะคิดเนะี่ยมันก็ต้องงั้นเราจะทําทไงไม่ให้คิดองั้นก่อนที่จะไม่คิดเราแบ่งก่อนแบ่งความคิดออกเป็น2 ส, ส่วนก่อนส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีในส่วนที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์งั้นไม่เอา ส่วนที่ดีมีประโยชน์งั้นเอาไปก่อนอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอดีมีประโยชน์แล้วเอาไว้แล้วแต่พวกความคิดนี้เอ๊ะมันก็มีโทษเหมือนกันนะแล้วก็จึงเริ่มที่จะไม่เอาความคิดก็ไล่ขึ้นไปสมาธิก็สูงขึ้นไปเป็นลําดับลําดับอ๋อค่ะนะค ะ, <c oughs> ะ, คะเพราะฉะนั้นอก็เลยได้ความรู้มาอีกอย่างหนึ่งละว่าไม่ได้ตรัสเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโดวยซ้ำแต่ระหว่างการทดลองเพื่อจะค้นคว้าวิธีที่จะไปสู่การหลุดพ้นใช่ แลก็ได้พบในสิ่งนี้อือันนี้คือมาเล่าให้พิจูตทั้งหลายฟังหลังจากที่เป็นพระศาสดาแล้วน ะ, ะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เป็นบริษัทอยู่เนี่ยมีความคิดพวกนี้แล้วก็ทําอย่างนี้อย่างนี้มาค่ะแล้วก็สรุปจบว่าจิตของเราเนี่ยถ้าตรึกตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นค่ะอเป็นเป็นสิ่งที่เป็นความรู้สําคัญนะคะที่เข้าใจว่ามันก็ช่วยสอนเราแหละ ว, ว่าบางทีที่เราจมจมอยู่กับความไม่สบายกายไม่สบายใจ เพลิดเลอาจจะเป็นเพราะจิตของเราเองที่พาให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆใช่แน่นอนเลยอย่างนี้ค่ะพอดีมีคำถามถึงถ้าอาจารย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่ฆ่าตัวตายอาจจะเป็นเพราะว่าจิตเนี่ยจดจ่ออยู่กับเรื่องอยากตายเป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะว่าแม้ในสมัยพุทธกาลเองก็ตามอ่ะตอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่งประกาศาร์สนะใหม่เนี่ย ช่วงช่วงสิปีแรกเนี่แหละนะ <Okay. S 1> ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสโทษแห่งชีวิตโทษของของกายแตนะ่ว่ากายมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้พอภิกษุเนี่ยมีจิตใจที่ว่าโหเบื่อหน่ายในกายนี้มากก็เลยไปฆ่าตัวตาย oh. แบบนี้ก็มีอันนี้จึงเป็นต้นเหตุของสิกขาบทที่บอกว่าภิกษุเนี่ยไม่คืนไม่พึงพระรากกายมนุษย์จากชีวิตนะหรือพัฒ น, นาคุณแห่งความตายหรือชักชวนมาให้ตายนะคือจ้างฆ่าก็ตามฆ่าเองก็ตาม หรือที่จะไปบอกว่าตายแล้วมันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ะอย่าพูดอย่างนี้นี่จะเป็นการทําผิดศีลในข้อที่หนึ่งเลยนะในข้ อ, อที่สําคัญเลยคือปาราชิกเลยละ่ะนะปรากบเหตุจากตรงนี้แหละที่ภิกษุเนี่ยมาฆ่าตัวตายอ๋อค่ะแล้วคะงั้นแหมน่าสนใจมากเลยรบกวนท่านช่วยเล่าละเอียดได้ไหมคะว่าท่านตรัสว่าร่างกายเป็นอย่างไรหรือจึงทําให้ภิกษุอยากฆ่าตัวตายในรายละเอียดค่ะอคือได้อธิบายถึงเรื่องของกายคาตาสติว่ากายเนี่ย ออมีผมก纶เล็บฟันหนงังนะมีกระดูกมีเนื้ออาถ้าคนตายแล้ววันหนึ่งบ้างเป็นอย่างนี้2วันเป็นอย่างนี้3วันเป็นอย่างนี้เน่าอืดเม้นมีเนื้อมีเลือดมีแต่กระดูกพวกนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วพอจิตใจของพิกษูออกมาพิจารณากรรมาฐานนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเทศน์กันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปหลีกเล่นอยู่15บห้าวัน ใ, นะในช่วงที่ไปหลีกเลนเนี่ยก็ไม่ได้ไปบินาบาบและเราก็ไม่ได้มาสื่อสารกับพิจูทั้งหลายละในช่วง15วันนี้จึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ที่ว่าภิกษุเนี่ยพอเอื้อมระอาในร่างกายมากก็ฆ่าตัวตายหรือว่าให้คนอื่นมาฆ่าตัวเองอเพื่อที่จะได้พิจารณาสุภานี้ด้วยเพื่อจะได้เห็นความสลดสังเวช ต, ตรงนี้ด้วยโหพอพระพุทธเจ้าออกจากที่หลีกเร้นมาเอาได้ยินข่าวเรื่องนี้ก็เลยประกาศว่าห้ามทําอย่างนี้ไหนะใครทำเนี่ถือว่าผิดนะซึ่งถามว่าในที่นั้นที่คนก็ทํากันเนี่ยแล้วก็พระพิจารณาแบบนี้แล้วเนี่ยถามว่าท่านบนรรลุทํากันไหมก็มีส่วนที่บรรลุทําอยู่นะ ทั้งทั้งที่ฆ่าตัวตายด้วยนะแล้วก็บรุษทาแล้วจึงไปฆ่าตัวตายหรือว่าคนละส่วนการตายก็ตายส่วนบรรลุก็บรรลุค่ะเมีทั้งฆ่าตัวตายแล้วก็จึงบรรลุคือพยายามฆ่าอยู่แต่ยังไม่ตายแล้วบรรลุก่อนตายอย่างนี้ก็มีหรือบรรลุแล้วแล้วค่อยมาฆ่าตัวตายก็มีบรรลุแล้วแล้วค่อยมาฆ่าตัวตายเนี่ยเช่นพระวักลีอย่างนี้เป็นต้นพระวักลีเนี่ยป่วยหนักแล้วก็พอพิจารณาตามกรรมฐานที่พระบพระเจ้าให้ไว้ก่อนที่ท่านจะตายเนี่ย แล้วก็มาลูทําเสร็จแล้วก็มันป่วยหนักมากก็เลยเอามีดปาดคอตายค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นพระอาหารหันต์นั่นน่ะดังนั้นคําถามที่ของคุณปู่ที่ถามมาในที่นี้ว่าบุคคลที่ฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วถือว่าเป็นการผิดศีลหรือไม่แล้วก็ถ้าตายไปแล้วจะไปอยู่ในภพไหน <Okay. S 1> คือถ้าเราจะตอบคําถามนี้โดยส่วนเดียวว่าโอ้คนท่าตัวตายทั้งหมดนะไปตงโลกแน่นอนคื อ, อ น, นี้ก็จะพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องแยกกันว่าจิตของเขาเนี่ยเป็นยังไง จริงก็เป็นยงไงถ้าบอกว่ามีด้วยโมหะมากๆเลยนะโมหะมากมเช่นคนที่คิดว่าชีวิตฉันก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรเนี่ยคือหมายความว่ารู้แล้วว่าโตไปแก่ไปจะเป็นยังไงมันไม่เห็นหน้าอยู่เลยฉันตายดีกว่าอย่างเงี้ยคือนี้เป็นด้วยกําลังของโมหะหรือบางคนก็เป็นด้วยกําลังของราคานะเนี่ยคือรักคนนี้มากนะพอความรักเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอก็ฆ่าตัวตายซะอันนี้คือด้วยกําลังของราคะคือพวกกิเลสทั้งหมดนั่นแหละในกิเลยราคะโทสะโมหะพอกลุ่มรุมจิตแล้ว มันก็ทําให้เกิดการทําอะไรที่มันไม่ดีได้นะนี่เป็นการผิดศีลอยู่ทีนี้จีของอย่างเช่นพระอราหันต์ในกรณีของท่านพระมัคคิริเนี่ยคือไม่ได้ทําไปด้วยเหตุของราคะโทสะหรือโมหะน ะ, ะเพราะฉะนั้นมันก็จะคนละเรื่องกะะันละนะก็อยู่ที่สภาวิสิตธตรงนั้นแหละว่ามันมีกิเลสกลุ่มๆหรือไม่อย่างไรถ้ามีกิเลสกลุ่มๆอยู่มากก็จะไปอยู่ในภพที่เป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้ามีโมหะมากอันนี้ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้ามีโทสะมากอันนี้ก็จะไปเป็นสัตว์นรกอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่ า, ามีลักษณะจิตอย่างไงตอนที่จะตายตอนนั้นค่ะอย่างกรณีที่คนเนี่ยจะฆ่าตัวตายเพราะอาจจะสลดสังเวชกับเห็นคนใกล้ตัวนอนเป็นผักอยู่เป็นเวลาหลายปีลูกหลานไม่ยอมปล่อยไปสักทีแล้วก็ก็รู้สึกว่าสังเวชนะเพราะเราก็อายุมากแล้วอยู่ไปชีวิตมันก็เท่านี้ก็ฆ่าตัวตายอันนี้ถือว่าเป็นราค้าโทสะโมหะครังท่นนะ อันนี้ไม่ทราบเลยคืออาตมาไม่ทราบนะต้องต้องคนที่เขามี <All right. S 1> มีสามารถที่จะดูวาระจิตได้เพราะว่าราคะโท oh. สะโมหะเนี่ยมันมันอยู่ในจิตไงมันไม่ได้สามารถ <Okay. S 1> จะดูได้จากการกระทําเอาถ้าเราจะดูจากการกระทำทั่วๆไปอย่างพระวักลีอย่างเงี้ยท่านก็ฆ่าตัวตายแต <Okay. S 1> นะท่านฆ่าตัวตายแต่ว่าพระบุตรเจ้าพยากรณ์ว่าท่านเน่ยเป็นพระอาหารแล้วนะการตายของ <Okay. S 1> ท่านเนี่ยไม่ต่าซ้นะํำเป็นการตายที่มีเกียรติอย่างเงี้ย hmm. เพราะว่าจิตที่ไม่มีราคะโทสะโมหะ แต่ถ้าการตายตรงนั้นถ้าตายด้วยเหตุของราคะโทสะโมหะเนี่ยมันไม่ดีไงแตก็ไม่รู้ว่าเขาทําไปด้วยด้วยเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสาเหตุที่จึงทรงบัญญัติไว้เลยเพรา ะ, ะกลัวจะเกิดการเข้าใจผิดสมมติ ใ, ในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัตินะคะใช่ใช่ใช่นี่จึงเป็นศีลของพระเพราะว่าในในทางเป็นศีลเลยเหรอคะท่านคะอ๋อนี่เป็นศีลข้อปาราชิกเลยนะในสีข้อแรก ว่าห้ามพระกายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาศาสตราอันจะทำเสียให้กายนั้นนั่นก็คือว่าคือห้ามหาอาวุธให้เขาห้ามจ้างคนมาฆ่าเองห้ามพนันนากคุณหรือสรรเสริญคุณแห่งความตายนั่นคือคือทำไม่ได้เลยถ้าจะมาชักชวนว่าอ้าวแล้วมาคื อ, คอมันทำไม่ได้เลยมันจะผิดศีลนะปาลาชิก<ต>เลยล่ะแต่เ<ะ> า, ว, าว่าสอนสอนได้ว่าตายยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าเออคือคือเาเลยค่ะ พัฒนาคุณแห่ความตายพัฒ น, นาคุณแห่งความตายก็ไม่ได้คือคือพัฒ น, นาคุณแห่งความตายได้แล้วถ้าเขาไปตายจริงๆนะโอ้โหพระองค์นี้จ ะ, ะอาบัติเลยประราชิกเลยหมดจากความเป็นพระเลยถึ ง, ถ, งถึงกับตรัสห้ามดิฉันยังนึกว่าข้อประราชิกข้อนั้นเป็นเรื่องของการฆ่าคนอื่นรวมรวมถึงการที่พัฒ น, นาคุณด้วยการจ้างด้วยการหาอาวุธให้ด้วย เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราจะดูเฉพาะเรื่องการการะทามว่าเอาคนนี้ฆ่าตัวตายคนนี้ฆ่าตัวตายเา่าตัวไปไม่ดีหมดเมารว ม, ม, มอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> เพราะว่ามันมันแล้วแต่สภาวะจิตตรงนั้นนะซึ่งถามว่า <c oughs> ใครล่ะที่จะรู้สภาวะจิตแม้แต่บางทีนักจิตวิทยาเขาก็ไม่มีคเครื่องมือวัด่ว่าคุณเอาโพรบอันนี้เข้าไปจิ้มที่จักร แ, แล้วจะรู้ว่าจิตเขามีราคะหรือไม่มีราคะโอ้มันมันบอกไม่ได้แนะก็ต้องคนที่มี <c oughs> รู้วาระจิตเท่านั้นซึ่ง เครื่องมือในการวัดตรงนี้มันก็จะต้องเป็นความละเอียดในระดับที่เป็นปัญญาละเอียดละเอียดนะเครื่องมือวัดตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับจุตูปบาบาทยาอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาจ ะ, ะรู้สึกจะเรียกว่าเจโตปริยญาณใชนะ่จะรู้ว่ารจ<ะ>ิตของคนนั้นว่าจีตคนนี้ในะขณะนี้ก็มีราคาหรือไม่มีราคะอันนี้คนที่มีเครื่องมือนี้อยู่ในใจนะซึ่งเครื่องมือที่วัดเนี่ยก็คือปัญญาละ่ะเขามีอยู่ในใจแล้วเขาสามารถที่จะบอกได้ค่ะค่ะงั้นที่คุณหมอปู ได้ส่งคำถามมาตอบได้ว่าบุคคลที่ฆ่าตัวตายหลังจากการตายจะได้รับผลอย่างไรอันนี้มันมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าเหตุเป็นอย่างไรไม่มีใครสามารถไปฟันธงได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักใกล้ชิดเขาเห็นพฤติกรรมเขาสามารถรู้ได้ไหมคะว่าสงสัยจะไปนั่นแน่คือเขา <ไป S 1> ต้องมี <ใน S 1> เครื่องมือที่เขาจะอ้างอิงถึงซึ่งเครื่องมือะะจะดูแค่ทางตาทางหวมันบางทีมันบอกไม่ได้เมาอย่างนั้นไม่ได้ และการกำเนิดในพบต่างๆของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาทำอะไรมาใช่เป็นเป็นกุศลหรือว่าอากุศล น, น, นะคะแล้วคุณหมอเ็าวงเล็บมาว่าอย่างเช่นคนผิดศีลข้อหนึ่งถ้าเกิดมาจะอายุสั้นอ่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปอันนี้จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นนะผลของการกระทำะผลของการกระทำผลของการกระทาคือการที่ถ้าเราฆ่าสัตว์อยู่เรื่อย ผลที่ะจะเกิดขึ้นจะทําให้อายุสั้นอันนี้เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เสมอไปก็คือเราไม่สามารถจะไปบอกว่าคนเนี้ยเกิดชาติหน้าอย่างเงี้ยอายุสั้นแน่นอนอย่างเงี้ยเรา่อยอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่ใช่เป็นคนมีมีเครื่องรู้ายานพิเศษมีเครื่องรู้พิเศษเราเราจะเหมารวมอย่างนั้นไม่ได้การคําพูดของเราเนี่ยที่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของคําพูดเพอร์เจอ แล้วก็ได้ยินว่าสมัยพุทธกาลมีการฆ่าตัวตายหวังจะพ้นทุกข์ก็แปล ว, ว่ามีจริงและฆ่าหลายคนด้วยและเป็นเหตุที่มาแห่งการบัญญัติสีลของพระ ใ, <ช>ในเรื่องไม่ให้ฆ่าตัวตายใช่ใช่ใชะะแล้วก็ไม่ให้สอนพรันาเรื่องความตายค่ะคนเราเนี่ยพูดถึงความตายที่ฉันก็เพิ่งอ่านในโซเชียลกับเพื่อนๆ พ, พบว่าในเหตุการณ์ที่เขาไปไหว้พระ ซึ่งดิฉันก็เคยไปที่บ้านนี้ยนะคะออืก็มีคนหมดสติสามนาทีเท่านั้นแหละก็ไปแล้วไปไหว้พระที่อื่นแล้วอืมก็มเป็นเรื่องน่าใจหายนะคะถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่เรามักจะคิดไปไม่ค่อยถึงใช่อันนี้คือมันมเป็นการเตือนสติของเราอยู่เป็นประจำอนี้เป็นเทวทูตอยู่แ ล, แล้วเราเห็นคนอื่นตายค น, กนใกล้ชิดตายคนรู้จักตายเนี่ก็เป็นเทวทูตอยู่ตลอด มันมีอประเด็นหนึ่งตรงนี้คุณโยมติว้าพูดถึงเรื่องของความตายเนี่ย เ, เราก็ต้องกล่าวเรื่องของมรณะสติด้วยแต่ตอ น, น, นแรกธรรมาก็สงสัยว่าอา้าวถ้าเผื่อไม่ให้พนานาคุณของความตายอย่างเงี้ยว่าความตายดียังไงยังไงอา้าวแล้วเราจะสอนมรณะสติได้งไงอา้าวทำไมพระพุทธเจ้ามาสอนมรณสติเอาเงี้มันจะไม่ขัดกันหรือคำบอกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยต้องมาดูในเรื่องของมรณะสติว่าการที่ให้ตั้งสติไว้ในมรณะคือความตายเนี่ยมันทํำยังไง เนะี่ึ่งบทเพลงชนะตรงนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคมมากจะไม่ขัดกันเลยแต่ตรงที่ว่า <Okay. S 1> เรื่องของมรณสติเนี่ยคือไม่ใช่คิดว่าตายแล้วมันจะดียังไงไม่ใช่หรือว่าให้ตายให้ตายไม่ใช่อันนี้คือถ้าเข้าใจอย่างนี้คือเข้าใจไม่ถูกแต่แต่สิ่ง <Okay. S 1> ที่ถูกก็คือให้ระลึกอยู่เสมอว่าเหตุปัจจัยของความตายเนี่ยมีมากนะไม่ว่าจะตกท่อนะหกลม้มสัตว์ทําร้ายหรือว่ามนุษย์ทําร้ายหนูเหตุปัจจัยมันมีมาก หรือของตกใส่ <Okay. S 1> มังกรเดินลื่นล้มน้่งน้ำํำม่องเทงไปแล้วนะหมดสติแค่สมนาทีก็ <Okay. S 1> ไม่รู้ไปไหนนะ <c oughs> เหตุปัจจัยของเราแห่งความตายของเราเนี่ยมีมากแล้วให้พิจารณาตรงนี้ให้พิจารณาแยกเป็นสองส่วนว่าถ้ามีอกุศลธรรมที่มีอยู่ในใจอยู่เนี่ยซึ่งถ้าเรายังละไม่ได้แล้วเราตายไปเนี่ยมันจะทำให้ไปพบไม่ดีให้ทําการรีบละอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนนั้นด่วนขณะที่เรียกว่า คนมีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับไฟก่อนที่จะทำอย่างอื่น <Okay. S 1> แต่ถ้านี่คือกรณีที่หนนะแต่ถ้ากรณีที่2พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีเอาถ้าไม่มีอากุศลธรรมเหล่านั้นก็ให้ทรงใจไว้อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอย่างนั้นแหละแล้วก็ทำสิ่ ง, <Okay. S 1> งต่างๆให้มันดียิ่งๆขึ้นไปแต่เพราะฉะนั้นเรื่องของมรณสติเนี่ยไม่ใช่คิดแต่เรื่องความตายความตายอันนั้นมันแค่ครึ่งเดียวนะครึ่งเดียว <Okay. S 1> ไม่ถูกเป๊ะด้วย แต่คิดถึงเรื่องเหตุปัจจัยแห่งความตาย่ไม่ใช่คิดถึงเรื่องว่าตายแล้วมันจะดียังไงแต่คิดถึงเรื่องเหตุปัจจัยของมันมีมากแล้วในส่วนทีนส่สองก็คือให้ดํารงอยู่ในกุศลธรรมให้ละอกุศลธรรมตรงนั้นค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากทีนี้เรามานึกถึงในข้อเท็จจริงกันที่ท่านได้พูดถึงว่าตัวอย่างของการตายเนี่ยจะปุบปับตายอะไรก็แล้วแต่นะคะ เดี๋ยวนี้ดิฉันบังเอิญไปแตะโลกโซเชียลเอาไว้เราก็จะได้เห็นตัวอย่างของความตายบางทีเห็นจัดจ่ถ่ายเป็นคลิปมันเลยนะคะรถของคนบางคนติดกล้องไว้หน้าจออเราจะเห็นภาพที่เขาขับไปหาความตายนะ่ะหรือว่าล่าสุดเนี่ยขึ้นบันไดเลื่อนมีสิตายได้แล้วตายสยองขวัญด้วยอว่าจริงๆแล้วนะคะท่านคะดิฉันคิปตามอะ่ะ ว่าเหตุปัจจัยของความตายมีมากมีแปลกๆด้วยให้รีบละอากุศลก่อนนาทีนั้นสมมุตินะเป็นผู้ปฏิบัติเลยนะท่านนะ<ม>ขึ้นไปบนบันไดแล้วมันเห็นเหตุการณ์ว่าอาการอย่างนี้ฉันกําลังจะเสี่ยงความเป็นความตายนะเขาก็มีการสอนกันใช่ไหมคะมวาดภาพให้กระโดดข้าม <c oughs> นะคะมีเขียนเป็นการ์ตูนเลยให้เห็นว่ า, <ม>วากระโดดจังหวะไหนไปจังหวะไหนระหว่างนั้นนะคะอากุศลกุศลคิดทันหรือเปล่าก็ไม่ทราบมีวิธีทํำไหมคะ คือเราต้องต้องแกกอะไรก่อนหลังค่ะตรงนี้เราจึงต้องทําความเข้าใจก่อนก่อนที่จะอธิบายว่าถ้ามันเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนว่าอากุศลธรรมกับทุกขเวทนาเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันอกุศลธรรมนะกับทุกขเวทนาไม่ใช่อันเดียวกันคือบางคนคิดว่าถ้าถูกถูกยิงหรือว่าถูกบทถูกสับถูกหินตกใจโหตายเลยเนี่ยโโหมันมันจะมีความเจ็บเกิดขึ้นมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยหรือคุณเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมัน ร่างกายมีอาการชักกระตุกร้องเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้อันนี้คือไปไม่ดีนะจะเหมารวมอย่างนั้นหมดเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่านี่คือทุกขเวทนานะคนมีความเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยบางทีร่างกายมันมันมีการไม่สงบระ ง, งับอันนี้ธรรมดานะแต่ร่างกายที่ไม่ได้สงบระ ง, งับเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าจิตมีอกุศลธรรมฟังให้ดีนะทุกขเวทนาที่ทําให้ร่างกายไม่สงบระ ง, งับไม่ใช่เท่ากับจิตที่มีอกุศลธรรม นนจิต ท, ที่มีอกุศลธรรมคือมีราคะโทสะโมหะคิดถึงเรื่องไม่ดีอันนี้คือจิต ท, ที่มีอกุศลธรรมนะแต่ในทางตรงข้ามก็เหมือนกันอีกว่าจิต ท, ที่มีสุขเวทนานะคือถ้าเราได้รับสุขเวทนาอันนั้นไม่ใช่เหมารวมไปได้ว่าเราได้กุศลธรรมนะไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแบบว่าคุณก็นอนตายไปเฉยเฉยสบายสบายนะหรือว่ามีความสุขยังได้อย่างหนึ่งจากความเป็นอยู่ของเราอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งนั้น นี่ไม่ใช่กุศลธรรมนะนี่เป็นอ ก, กุศลธรรมอ ก, กุศลธรรมที่มีในสุขเนี่ยก็มีแต่ทำให้เทวดาบางรูปบางองค์เนี่ยเขาบอกอเขาไม่เห็นทุกข์เลยเขาเห็นแต่สุขทําให้เขาเผลอเพลินเพื่อร่มหลงไปอันนี้เป็นอ ก, กุศลทําให้เขาไม่อยากเป็นเทวดาก็อยากมาเป็นมนุษย์ประเภทนี้ก็มี <Okay. S 1> ในาตามต้นธรามถ้ามีทุกขเวทนามีทุกขเวทนานะแล้วเข้าใจความทุกข์นั้นอย่างถูกต้องนะว่าโอ้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นอ น, นัตตา อ้าวแล้วเขาทรงจิตที่เป็นกุศลธรรมได้ทุกวเวทนานั้นก็จะทําให้เกิดกุศลธรรมไดนะ้ซึ่งถ้าคนที่มีสุขเวทนานะก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่มีแต่กุศลธรรมอย่างเดียวเพราะถ้าไปเพลิดเพลินแต่ถ้ามีสุขเวทนาแล้วแล้วก็เห็นโทษในสุขเวทนานั้นนะใช้ใจอย่างเหมาะสมพอดีอันนี้ก็เป็นกุศลธรรมได้ าาก็จะเน้นคือเวทนาก็เรื่องของเวทนาจะสุขหรือทุกข์ตามจะทำให้เกิดทั้งกุศลหรืออกุศลอยู่ที่ว่าเราฝึกจิตอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไปเหมารวมไม่ได้ว่าถ้าตายแบบเจ็บๆนะตายแบบทรมานานนี่คือไปไม่ดีหมดไม่ใช่นะหรือถ้าตายแบบเรียบๆง่ายๆสบาย ๆ, ายๆจะไปดีหมดคุณพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไมแน่หมายความว่าต้องฝึกจิต ใช่ไหมคะฝึก ใ, <ช>ให้มีสติให้จิตของเราเป็นไปนในทางกุศลถูกต้องจะให้จิตเป็นไปทางนั้นกุศลได้ต้องตั้งสติไว้ให้อย่างดี <c oughs> ตั้งสติไว้ให้อย่างดี <c oughs> มีพระ <c oughs> ชื่ออาสชีเนี่ยในสมัยพุทธกาลแตไ่ไม่ใช่อาสชิองค์ที่ไปแสดงทำให้ให้ท่านพระสารีบุตรตอนก่อนบวชฟังนะเป็นเป็นอีกรูปหนึ่ง <c oughs> เป็นอาสชีองค์ที่สองอท่านก็ป่วยป่วยหนักแล้วก็กายไม่สงบระ ง, งับคืออาจจะมีอาการชักกระตุกหรือมีอาการเจ็บ นะีพอกายไม่สงบระ ง, งับเนี่ยก็เลยคิดว่าใจฉันไม่ได้เรื่องแล้ ว, ว้ทําไมกายของฉันเป็นอย่างนี้เนะ่ยคงจิตไม่เป็นสมาธิก็ลเลยให้พระอุปถากเนี่ยไปนิ ม, มนต์พระพุทธเจ้ามาเยี่ยมให้มาเยี่ยมเนะี่พอพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมแล้วก็ถามถึงสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงเนะี่ยท่านก็บอกว่าโอ้โหเจ็บมากเลยเนะ่ยไม่สามารถทนได้เลยแล้วก็อาการอย่างนี้ทําให้คิดว่าจิตใจมันจะไม่ดีนะ่ยพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเธอ มีศีลอยู่ไหมเธอตีเตียนตัวเองด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่ซ <Yeah. S 1> ึ่งท่านพระสชัชชีก็บอกว่าไม่ได้เลยข้าพระองค์ ม, มีศีลดีอยู่เอาแล้วจะต้องกังวลอะไรแต่บ ร, รุษาก็ตามนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าบางทีร่างกายมันมีทุกขเวทนาทําให้กายเนี่ยไม่ส ง, งบระ ง, งับแต่พอกายไม่ส ง, งบระ ง, งับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจิตจะไม่สบายเพราะว่าถ้าจิงเรายังมีศีลอยู่หรายังมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่อันนี้คือโสตตาปฏิยังค์สีแล้ว เป็นองค์แห่งการที่จะบรรลุโสดาบัน4ี่องค์เรามีอยู่ใจอย่างนี้แล้วเนี่ยให้สบายใจได้เลยเราไม่ไปตกนรกแน่นอนถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกกับท่านพระอัสชิลักษณะนี้ให้มีความสบายใจได้ว่าร่างกายถ้าบอกว่าเรามันก็เป็นไปนะเหตุที่หความตายมันมีมากอย่างที่ว่าแต่ถ้าจิตใจเรารักษาสติให้อยู่ได้อย่างต่อเนื่องการที่ฝึกให้อยู่ในกุศลธรรม ในสตินี้คือการระลึกได้คําว่าระลึกได้เนี่ยคือการถอนออกมาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเป็นคำกิริยาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็คือจากที่ที่มันไม่ดีเป็นอกุศลธรรมให้มันไปที่ที่ดีที่มันจะเป็นกุศลธรรมอย่างเงี้ยค่ะเดลฟานนะคะสาธุค่ะงั้นจริงๆเรื่องที่สนทนากันในวันนี้ดิฉันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็จําเป็นสําหรับท่านทั้งหลายที่จะเรียนรู้กันไปก่อนเพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ในกรณีที่คล้ายๆกับพระอัศจิที่พระพุทธองค์ไปให้ธรรมะเพื่อที่จะให้คลายความกังวลว่าจะมีคติที่ไปในที่ใดนั้นก็คงจะไม่ไม่สามารถทำได้ในทันทีถูกหคะใช่อันนี้อันนี้จริงต้องมีการเตรียมตัวมาก่อนต้องฝึกไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องมีความรู้ที่ท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าจับความได้ก็คือว่าความรู้พื้นฐานที่ต้องมีก็คือเรื่องสนะีเป็นเรื่องสาคัญ ที่จะไม่พาไปทุคติและเช่นเดียวกันต้องมีความศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวในพระพุธองด้วยอืมไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่าถ้าคนขาดความมั่นใจเนี่ยมันก็เมื่อถึงเวลานั้นอาจจะตกใจขาดควา ม, มรู้สึกว่าเออฉันชัวน่ะไม่ไปอ่ะอย่างนั้นเพราะมีคุณสมบัติอย่างนี้คือคือบางคนตกใจเรื่องนี้ก็ได้เคยตรัด ก, กับ อ, อท่าน เจ้าสักยะที่ชื่อมหานามะนะถ้าจะมาจะไม่ผิดแต<ะ>นะ่ว่าท่านเจ้าสักยะชื่อมหานามะเนี่ยมีเพื่อนป่วยนะเพื่อนที่เจ็บไข้ามากเลยป่วยเนี่ยก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าควรจะไปบอกเขายัางไงดีพ<ะ>นะระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องนี้แหละคุณจะทำสีอย่างนี้แหละคือโสตาปฏยังคัสสีนี่แหละแต่นะว่าใ ห, ให้ไปพูดเขาอย่างนี้สิคือเพราะาบางทีคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันลืมไปตกใจ<ะ>อะ่ะไม่ว่าะจะเงินหายญาติตายหมอบอกคุณเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือว่าเจอข่าวอะไรอย่างไร้าๆคนฆ่าตัวตเงี้ย แล้วเราลืมไปเราจรึงต้องมาคอยเตือนกันแหละ ว, ว่าให้เราเลึกถึงคุณธรรมตรงนี้มันจะเป็นเรื่องดีค่ะคือเหมือนกับว่าในห่วงเวลานั้นดิฉันคิดว่าถ้าคนรู้จักว่าจะรู้ว่าจะเสียชีวิตเนี่ยคงจะสับสนพอสมควรทีเดียวนะคะว่าเอจะยังไงดีห่วงลูกกับห่ว ง, ห, วงห่วงน่นห่วงนี่ห่วงไปหมดแล้วก็ห่วงตัวเองด้วยฉันจะไปไหนเนี่ยฉันจะไปที่ไหนถ้าฉันรู้ข้างหน้าว่าที่ไปนั่นคืออะไรอย่างพอว่านะก็จะไม่หวั่นไหวมาก เพราะอย่างน้อยอยังรู้นี่นีตรงนี้คือประเด็นไงคือหยมติว่าเราจะเอาใจไปใส่ตรงไหนค่ะเนี่ยี่เพราะว่าจิตของเราถ้าตรีตรึกไปในเรื่องใดมันจะน้อมไปอย่างนั้นค่ะก็เนี่ยค่ะดิฉันก็เลยพยายามจะย้ําเนี่ยเพราะอยากจะให้ได้ประโยชน์เป็นทิปส์เก็บไว้ใช้กับตัวเองก็ได้หรือว่าเอาไปบอกคนอื่นก็ได้ว่าลองสิในเมื่อมันสับสนมากเนี่ย สับสนไปก็ไร้ายประโยชน์นาทีชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นถ้ า, าเราเป็นชาวพุทธเราลองศรัทธามั่นๆในพระพุทธเจ้าดูแล้วก็ไม่ต้องไปคิดแต่ให้เชื่อถูกไหมครัรแล้วทำไปเลยใช่ใช่ใช่มีมีความเชื่อมั่นพอคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วเขาจะทําจริงแน่แ น, แ น, แน่จริงค่ะพอทําจริงแน่แ น, แน่จริงแล้วมันต้องได้ผลค่ะตรงนี้ดิฉันเล่าเกรดนิดนึงก็นานมาแล้วนะคะที่ฟังอ่อาจจะไม่ ตรงเเซแต่เรื่องก็ประมาณนี้ว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็พาลูกมาบวชที่วัดวัดหนึ่งซึ่งมีการฝึกสตินะคะแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษาว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสสอนในเรื่องของการที่จะต้องมีที่ตั้งของสติแล้วจะเกิดผลอย่างไรเธอก็บอกว่ามเมืม่อก่อนไม่เคยสนใจแต่เพราะลูกมาเนี่ยลองสิลองปฏิบัติก็ลองฝึกแบบที่พระพุทธองค์ตรัสให้ฝึก วันหนึ่งนั่งรถอยู่บนทางด่วนเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับกําลังจะมีการรถชนกันอืนะคะ บ, บอกมันเป็นนาทีชีวิตอ่ะออืตั้งสติขึ้นได้ค่ะออืก็บอกมีสติอยู่กับลมเลยระหว่างนั้น น, นรถนั่หมุนเคว้งไปหมดเลยค่ะอืแล้วสุดท้ายก็ผ่านไปได้อืเธอก็ตื่นเต้นมากแล้วเธอก็บอกโอ้โหดีมากเลยกับการที่เคยฝึกเนี่ยเพราะว่าเมื่อถึงนาทีนั้นเธอโชคดีเธอทําไดใ้ใช่ใช่ อันนี้คือมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอก็จะได้ผลอย่างที่เห็นนั่นแหละอาจารยารค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในตอนต้นของเราก็ฝึกกันแล้ววันนี้ฝึกตอนท้ายอีกนิดได้ไหมคระเผื่อคนไม่ได้ฟังตอนต้นฝึกยังไงกันหรอก็คือว่าให้เรากําหนดคําว่ากําหนดเนี่ยก็คือการระลึกถึงนะคําว่าระลึกถึงก็คือเอาใจมาจดจอ่ออยู่ที่กับลมหายใจนะเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือนะเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยให้ใจให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องแต่งลมไม่ต้องบังคับลม นะร่างกายอะไรก็ให้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติหายใจธรรมดาเราก็ให้จิตของเราเนี่ยมาจดจอ่อามาตั้งเอาไว้มาระลึกถึงมากำหนดอยู่ที่บริเวณที่ทางเข้าทางออกของลมหายใจเนะี่ยทอย่างเงี้ยชื่อว่าจิตมีสติละจะมีความคิดนั่นนี่โน่นก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องของมันแต่ว่าจิตของเราถ้า ม, มาตั้งอยู่ตรงนี้สติก็จะค่อยมีกําลังมากขึ้นและมากขึ้นอันหนเองค่ะแล้วสําคัญก็คือว่าเหมือนเราหัดทําอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นหัดขี่จักรยานอืแรกๆ ก, ก็ ตุปตตุเปย์นะคะตั้งไม่ค่อยได้สักทีจักรยานจะล้มดังนั้นจึงต้องอาศัยสกิลอาศัยความชํานาญอาศัยทักษะฝึกบ่อยๆท่านคะเราคงจะต้องลากไปก่อนนะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วนบนะคะกราบน้ัมศการพระคุณเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุณโววัตปาดรนหายโศกอุดรธานีไว้ในโอกาสนี้อย่างยิ่งนะคะกราบน้ำศการค่ะเดือนบานท่าังคะเราก็หวังนะคะว่าเรารู้คําสอนของพระศาสดาแล้ว พระศาสดาเองเนี่แหละต้องการที่จะให้ทุกคนได้นำออกไปปฏิบัตินะคะท่านก็บอกว่าธรรมะของท่านนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ได้ไม่จำกัดการเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นสิ่งที่เมื่อเรารู้เราก็จะอยากบอกต่อๆกับคนอื่นต่อๆไปนะคะ ก็ขอให้เราได้ประโยชน์จากการน้อมนำเอาธรรมะของพระศาสดาไปปฏิบัติกันทั่วหน้าจากรายการสันสนิสนทนนาดิฉันสันสนิหน้าพง์นะคะทางสถานีวิทยุครอบรครัวข่าว FM106 ้ค่ะพะทุท่วสวัสดีค่ะ